FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีกว่า4ทศวรรษที่เราทำงานเคียงข้างเพื่อสังคมสร้างสรรค์บัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆบ่มเพาะบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติก้าต่อไปสู่การเป็นฟันเฟืองหลักของประเทศ RMUtt Moving Towards อินโนเวทีฟยูนิเวอร์ซิตี้สิบสองมาสิงหามาบรรจบวาระครบวันเฉลิมเผาพิลาชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาศราชพร้อมใจอภิวาทบาทยุคน้นอมลำลึกพระมหาการุณธรรมอันเลิศล้ำฉ่ำเย็นเป็นสุพผล พระทรงแผ่เมตตาทั่วสากลราชมงคล น, นบน้อมอัญเชลีอัญเชิญคุณไตรรัตนพิพัฒผลบรรดาลดนหะไทยเปรมเกษมศรีทรงบรรลุจตุพรบวรทวีเสริมศักดิ์ศรีนารีนาฏของชาติไทยพระชนยั่งยืนยงทํารงมั่น พระสีวันพริง g เพลิดเลิดสดใสทรงสุขเพิ่มเสริมพลาอนามัยเฉลิมชัยจากกรีวงศงพระเจริญด้ยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเท พ, พ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2562 าหอประชุมราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีอําเภอธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์นวั ต, รตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 ฉัน Come. ทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงําที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการเรื่องเก่าที่เรารักก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอากาศตอนนี้ ท่านผู้ฟังเปไ็นยังไงบ้างนะครับฝนฟ้าตกบ้างหรือเปล่าถ้าใครที่กําลังจะกลับบ้านหรือว่าใครที่กําลังขับรถอยู่ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับถ้าเกิดฝนตกถนนลื่นครับยังไงก็กลับบ้านดีๆเดินทางดีๆด้วยความเป็นห่วงนะครับส่วนถ้าใครที้ฟังรายการอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีความสุขกับรายการที่ผมกําลังจะเล่าเรื่องเก่าๆที่คุณคุ้นเคยให้ฟังกันในค่ําคืนนี้นะครับครับสําหรับรายการเรื่องเก่าที่เรารักะจะกลับมาพบกับ ผู้ฟังได้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี 89.5 FM นะครับก็จดจำกันไว้แล้วก็รอติดตามกันให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวย่านเก่าที่หลายๆคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วหลายๆคนอาจจะเคยไปสมัยเด็กๆหรือเคยไป เมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานที่หลายๆแห่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีกระแสมีการแชร์กันในโลกโซเชียลจนบางครั้งเนี่ยหลายๆคนลืมสถานที่ที่ดีๆที่มีเรื่องราวน่าสนใจไปนะฮะครับวันนี้ผมตุยชวลิตก็จะขอพาคุณย้อนกลับมาที่ถนนแถว แยกให้แยกพระภาชัยนะครับไล่ไปจนถึงแขวงบูรพาพิลล้มซึ่งแถวๆนี้จะมีร้านรวงมีเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนตัวอยู่ในอดีตแล้วก็มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารร้านขายข้าข อ, ของเครื่องใช้หรือว่าร้านขายแผ่นเสียงที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยกลับไปเดินเล่นที่นี่กันอีกครั้งนะครับ ครับสำหรับย่านเก่าแถวห้าแยกพระพาชัยเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นไปทําความรู้จักกับร้านรวงแถวๆนี้ผมอยากจะแนะนําร้านแรกเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทานข้าวหน้าไก่เนี่ยจะต้องรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือร้านข้าวหน้าไก่ห้าแยกนะครับหรือจะมีมีชื่อที่คุ้นเคยกับคนรุ่นก่อนก็คือ ข้าวหน้าไก่พูลเลิศหรือว่าข้าวหน้าไก่เลาะงาทิ้นนะฮะซึ่งร้านนีเ้เปิดมาจนเรียกได้ว่าเป็นตำนานของข้าวหน้าไก่ในประเทศจนประเทศไทยร้านหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเปิดบริการมาน่าจะมีอายุราวๆร้อยปีได้แล้วนะโอ้ฟังดูอย่างงี้มันยาวนานมากนะฮะร้อปีคิดดูสิครับว่า ถ้าของไม่ไม่ดีจริงถ้าของไม่มีคุณภาพจริงๆหรือถ้าของไม่เป็นที่นิยมจริงจเนี่ยจะมีอายุน า, นานขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะคือร้านข้าวนาไก่5แยกเนี่ยหรือว่าห้องอาหารพูลเลิศเนี่ยเขามีการก่อตั้งมาตั้งแต่อย่างที่บอกนะตั้งแต่เกือบร้อยปีที่แล้วร้านเนี่ยอยู่ตรงตรงหแยกพระผาชัยเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ย เ, เขามีตำนานเล่ากันว่า ทางร้านเนี่ย เ, เริ่มต้นมาจากการหาบข้าวหน้าไก่ใส่ใบตองเดินขายแล้วก็มีการเป่านกหวีดเรียกลูกค้าในสมัยก่อนที่เรียกว่าพนาคอนนะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเป็นร้านบรรวงอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าเขาจะหาบไ ม, ไม่รู้ว่าทุกคนยังยังรู้จักหาบอยู่หรือเปล่นฮะก็จะเป็นไม้แล้วก็มีกระจาด2ององอ ง, องด้านถ่วงน้ําหนักกันอยู่แล้วก็ขายข้าวหน้าไก่อยู่นั้นนะครับแต่ว่าใส่เป็นใบตองก็ อให้อารมณ์ความคลาสสิกแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันดูบ้านๆแต่ว่ามีความอ ร, อร่อยจนกระทั่งเนี่ยมีความเรื่องลือไปทั่วพระนครแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากขึ้นมากขึ้นะนะฮะก็เลยมีการเปิดเป็นร้านที่เรารู้จักกันว่าร้านข้าวหน้าไก่ฮะแยกตัวนี้ น, นะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากมีร้านอยู่ที่หะแยกพระผาชัยแล้วเนี่ยเขาก็มีมีการขยายสาขาไปยัง สถานที่อื่นอนอีกมากมายเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปทานนอกจากที่ตรงห้าแยกเนี่ยเคยไปทานกับทางบ้านก็คือตรงถนนปู่เจ้าสมิงไพรยนะครับก็มีลูกค้าแน่นทุกสาขาทุกร้านเลยนะครับเพราะว่านอกจากความ อ, อ, อร่อยของข้าวหน้าไก่ที่เขาใช้ไก่เนื้อดีมีการคัดสรรเนื้อไก่ตรงสะโพกมาโดยเฉพาะนะมีติด <c oughs> ติดมาติดหนังนิดนดมีความนุ่มความหอมแล้วก็ มีรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็มันเป็นความอร่อยแบบต้นตำรับของข้าวหน้าไก่สมัยก่อนจริงๆนะครับก็เมื่อเรามาทานกับข้าวสวยที่เขาเใช้ข้าวสวยแบบอย่างดีนะฮะก็มันจะเข้ากันมากนะถ้าใครยังไม่เคยไปทานก็อยากให้ลองไปทานดูนะครับแล้วนอกจาก ข้าวหน้าไก่แล้วเนี่ยภายในร้านเขายังมีเมนูอื่นๆนะครับที่ขึ้นชื่อจนหลายๆคนเนี่ยที่หลายคนจะต้องมามาม า, มาทานนะฮะก็คือมีทั้งบะหมี่หน้าไก่มีผัดชิลเนื้อมีผัดกระเพรากุ้งไก่อะไรทุกอย่างแล้วก็มีที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวหมูแดงเพราะว่าข้าวเหนียวของที่นี่เนี่ยมีความนุ่มหอมแล้วก็หมูแดงของเขาเนี่ยก็จะ มีความหวานกำลังดีเนื้อไม่แข็งเนื้อไม่เละจนเกินไปก็เรียกได้ ว, ว่าถ้าทานด้วยกันเนี่ย อ, อร่อยแน่นอนฮะอ้ออีกอย่างนึงคือโกยซีหมี่ถ้าเกิดใครมาที่ร้านเนี่ยแนะนำเลยนะครับต้องลองทานดูครับหลังจากเราทานข้าวกันอิ่มแล้วที่ข้าวหน้าไก่อายแย่เดินขยับมาอีกนิดนึงทางที่จะตรงไปทางโรงพยาบาลกลางนะครับ าทางด้านซ้ายมือฝั่งเดียวกับร้านข้าหน้าไก่ฮ้าแยกเนี่ยจะมีร้านขายแผ่นเสียงที่ใหญ่มากานะฮะวงการนักเล่นแผ่นเสียงน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือร้านแผ่นเสียงของคุณเอ็มก็คือร้านเอ็มธนากรร e คอร์ดนะฮะร้านเนี้ยเป็นร้านที่เมื่อก่อนหน้าร้านเขาจะมีหุ่นที่เอามาจากต่างประเทศเป็นหุ่นที่เหมือนคนจริงจงาวางเป็นดิสเพลย์อยู่หน้าร้านก็หลายๆคนเนี่ยกลัว เพราะว่าหุ่นค่อนข้างสีผิวเข้มแล้วก็เหมือนคนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเล็บเลบอะไรนี้โ้ดูไกลๆนี่ทำให้คนตกใจได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการขยับขยายหุ่นสองตัวนี้ไปที่อื่นแล้วนะครับฮ ะ, บะบก็ถ้าเราเปิดประตูเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเจอกับแผ่นเสียงมีทั้งแผ่นเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งมีแผ่นเสียงทั้งแผ่นที่หายาก แผ่นใหมแ่แผ่นเก่ามีหมดนะฮะถ้าใช้การคเนด้วยสายตาของของผมเนี่ยเวลาเข้าไปดูเนี่ยผมว่ า, าแผ่นเสียงทั้งสองชั้นที่ที่แกเก็บไว้ในร้านเนี่ยผมว่ามีนะับเป็นหมื่นๆแผ่นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาของร้านเนี่ยไม่แพงนะฮะมีการต่อรองได้ด้วยคุณเอ็มเป็นเจ้าของร้านที่ค่อนข้างใจดีนะฮะครับสำหรับร้าน เอมธนาคอนไดคอร์ดเนี่ยไม่ได้โด่งดังในแค่บ้านเราเท่านั้นนะครับนักเล่นแผ่นเสียงทั้งญี่ปุ่นอเมริกาต่างประเทศจีนเจนเกาหลีอะไรมาหมดทุกคนเนี่ยจะต้องมาหาแผ่นเสียงที่เมืองไทยก็คือจะต้องมาที่ร้านคุณเอมแผ่นที่บอกว่าขายดีมากๆกเนี่ยก็จะเป็นพวกหมอลำนะฮะเพลงพื้นบ้านเพลงลูกทุ่งเพราะว่า ต่างชาติเนี่ยเขานิยมเอาไปเปิดกันแล้วก็เอาไปทำรีมิกซ์ดนตรีใหมนะ่ก็ไปเปิดกันปาร์ตี้จน เ, เพื่อนๆในแต่ละประเทศเนี่ยต้องเดินทางมาซื้อแผ่นเสียงที่ร้านคุณเอ็มกันเลยทีเดียวนะครับครับถัดมาจากร้านขายแผ่นเสียงไม่ไกลเนี่ยถ้าเราเดินมาอีกนิดนึงฝั่งตรงข้ามก็จะมีร้านาขายก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อยู่หลายร้านนะครับ ว่าจะเป็นร้านน้องแอนร้านแล้วก็มีอีกสองร้านที่อยู่ในตรอกในซอกซอยนิดนึงต้องเดินเดินหานิดนึงนะครับแต่ว่าฝีมือการผัดก๋ยเตีว๋วคั่วไก่ของทุกร้านเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าคนที่ชอบทานร้านไหนร้านหนึ่งเนี่ยก็จะติดอยู่กับร้านนั้นนะฮะก็ลองไปเลือกทานกันดูว่าก๋ยเตีว๋วคั่วไก่ในฝั่งตรงข้ามแถวพระภาชัยเนี่ย คุณถูกใจร้านไหนกันแล้วมาบอกกล่าวกันด้วยนะครับครับถ้าเราเดินไปอีนิดหนึง่งหรือถ้าเกิดเดินไม่ไหวเนี่ยลองเรียกรถตุกต๊กๆไปนะฮะก็ไปแนะนำให้ไปตรงแถวแยกสะพานเหล็กแยกสะพานเหล็กเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีความทรงจำมีร้านในอดีต แยะมากมายนะครับแต่ว่ามีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือร้านขายร่มถูกแล้วร่มร่ ม, รมที่เรากันฝนกันแดดนีแ่แหละครับนั่นก็คือร่มฟ้าไทยตรงนี้เขาเรียกว่าถนนจักเพชรแขวงบุตรพะพิรมนะฮะ ร, ร่มฟ้าไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับร้านนี้มีอายุราวๆร้อยปีเช่นกันนะฮะโดยเริ่มแรกเนี่ย ร่มฟ้าไทยใช้ชื่อร้านว่าเสียงไทยโดยมีคุณสีแสกองเป็นผู้ก่อตั้งร้านนี้นะครับแล้วก็ต่อมาทายารุ่นที่2ก็เริ่มนำร่มจากประเทศยุโรปและประเทศญี่ปุ่นเข้ามาวางขายในร้านด้วยรูปลักษณ์ด้วยความแปลกใหม่ของร่มจากต่างประเทศเนี่ย ทำให้ร่มของร้านฟ้าไทยหรือว่าร่มเซียงไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่เรื่องลือกันสำหรับคนยุคก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อร่มเนี่ยจะต้องมาที่ร้านร่มฟ้าไทยทีนี้พอมาถึงทายาทของตระกูลรุ่นที่3เนี่ยตอนนี้เขาามีการขยับขยาย เ, เปิดเป็นบริษัทใหญ่โตเลยนะเป็นใช้ชื่อว่าบริษัทร่มฟ้าไทยมีโรงงานรับจ้างผลิตร่มเองสามารถส่งออกร่มไปยัง ต่างประเทศไปจําหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกด้วยนะครับทีนี้ร่มฟ้าไทยจนถึงปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่มีอยู่ชั่วหนึ่งที่ร่มฟ้าไทยได้รับความนิยมมากเขาก็จะขยายเป็น2ล้านนะครร้านใหญ่โตมากก็นอกจากมันจะมีป้ายเก่าๆอยู่ก็คือเป็นป้ายร้านเสี้ยงไทยแล้วก็อีกร้านนึงเขเป็นร่มฟ้าไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยร้านร่มฟ้าไทยตรงหัวมุมเนี่ย เขาปิดไปแล้วแล้วก็ปล่อยพื้นที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเหลือเป็นร้านร่มเซี่ยงไถ่ซึ่งถ้าใครอยากได้ร่มที่มีคุณภาพดีมีร่มที่มีความวินเทจมีความแข็งแรงแล้วก็หาได้ยากในตลาด่นะครับอยากลองให้ไปเดินเรียกดูนะครับเพราะว่าร่มบางคันเนี่ยมีอายุถึง70ปี80ปีก็ยังมีให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่า ร่มแบบเก่าๆน่ค่อนข้างเหลือน้อยแล้วเพราะว่ามันมีการพูดถึงมีการแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มีกองถ่ายละครเนี่ยมาซื้อร่มไปเข้าฉากสำหรับละครพีเรียดก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้จักร่มฟ้าไทยมากขึ้นแล้วก็เดินทางมาเลือกซื้อร่มจนปัจจุบันเนี่ยอาจจะเหลือแบบไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคุณภาพและความคลาสสิกของร้านเนียยังมีอยู่ถ้าคุณชอบร่ม แบบโบราณ น, นะฮะแล้วก็คุณภาพสูงลองมาดูกันนะครับครับแถวแถวนี้นอกจากโรงฟ้าไทยแล้วเนี่ยถ้าขยับไปอีกหน่อยเดินกลับมาทางทางที่จะไปโรงหนังเฉลิมกุลนะฮะเราก็จะเจอกับห้างสรรพสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแล้วก็มีความวินเทจแบบ 100% เอลยทีเดียวนะนั่นก็คือห้างสรรพสินค้าดีโอสยามพลาซ่าที่นี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ท ขายเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ขายของไทยๆนะครับสินค้าที่ขายเนี่ยก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ในนั้นก็มีร้านขายอาวุธปืนอยู่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายเลยทีเดียวฮะครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผมไปเที่อุทยามเนี่ยจุดมุ่งหมายของผมก็คือไปซื้อขนมไทยไปซื้ออาหารที่หาทานได้ยากจากที่อื่นนะครับร้าน ร้านขนมไทยที่เปิดเป็นเป็นบูธเป็นแผงขายอยู่ตรงข้างในตัวอาคารเนี่ยเขาเรียกกันว่าร้านเฟื่องนครตรงนี้นะครับมีความมีความสุขสำหรับคนที่ชอบทานนะฮะเพราะว่ามีทั้งขนมมีทั้งอาหารมีทั้งสินค้าต่างๆที่เราหาที่อื่นไม่ได้นะครับ ขนมที่ผมอยากจะแนะนำก็คือพวกลูกชุบจามงกุฎหรือว่าข้าวเกีบยปากหม้อสาคูขนมเบื้องเมีย่ยงคาท้องห ย, ยีท้องยอดลอดช่องโอโหมีเยอะแยะมากนะฮะถ้าเกิดใครที่เป็นคนรักขนมหวานเป็นคนที่รัก อ, อ, อาหาร ไ, ไทยเนี่ยมาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ ที่นี่ก็นอกจากอาหารเสื้อผ้าผ้าไหมชุดไทยแล้วก็ยังมีข้างบนเนี่ยมีการขา ย, ขายจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีร้านซีดีเก่าๆอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนมีร้านเทปมือ2 อ, อยู่ด้วยแต่ว่าปัจจุบันร้านเทปได้ปิดไปแล้วก็นอกจากมีการมาออกบูธขายบ้างแต่อันนี้ก็ต้องไปเช็คดูนะครับว่าจะมากันวาขายกันวันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ ถ้าเกิดคุณเดินจนทั่วแล้วสำหรับดีโอสยามี่ผมแนะนำให้เดินมาฝั่งตรงข้ามนะฮะตรงนั้นเราก็จะเห็นเราจะเห็นห้างในติ้งเกลโอลิมปิกห้างเนี้ยนะครับมีความเป็นมา ก, ก็คือปัจจุบันเนี่ยอายุเกือบ90บปีบลนะน่าจะ8ป8 9 8บปปีแล้วเพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2473 ห้างนี้เป็นห้าง ส, สินค้าที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความเป็นห้างสสินค้าแบบเต็มรูปแบบแห่งแรกในเมืองไทยนะครับมีทั้งเครื่องสําอางเครื่องเขียนเครื่องกีฬาเครื่องดนตรีเครื่องประดับรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่คนยุค 60-70 เจ็ดยเน่ยต้องการจนครบคันจริงๆน ะ, ะครับสำหรับ เ, เวลาที่ค่อนข้างใกล้เข้ามาแล้วอันนี้ผมคงจะต้อง ขอจบรายการ เ, าเรื่องเก่าที่เรารักสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับกับเรื่องเก่าที่เรารักทุกคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนครึ่งจุดหนึ่งตีหนึ่งทาง 89.5 FM Mega h z นะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทาง a c e b o o k นะครับ แฟนเพจตุยตุยตินติน TUI t o i แล้วก็ TNTN รวมไปถึง IG ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกลับมาพบกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงํำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก ขอเพียงคนเดียวมีรักจริงใจมันผู้เดียวจงรักกันอย่ามีวันร้างรถ้าเธอมีดวงใจมันรักแน่ก็วอนจงอย่าแปร มาติดตามรับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเบอร์ใบเ a r m u t t a c t h หรือติดชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m a r m u t t r a d i o หรือทาง l ล n e ออฟ i ิเชียแอด M U T T Radio จ, จุดเขียนแสวงส่งเมือนสว่างสวยไทยเธอดไทยถวายพระพรสูนยรวมใจทว่วประชาศิลปาชีพอมรพระศพมีตอนพักมี Thai tears, Thai wine.